ก็ยพยามที่ใช้ช่วงเวลาก่อนเข้าให้สั้นเพื่อเราจะได้เพภาวนาต่ อ, เ, อเมื่อวานผมค้างเรื่องสัมปชะญญะไว้นะครับว่าจะลงรายละเอียดเรื่องสัมปชัญญะในภาคปฏิบัติตอก่อนที่จะไปสู่เรื่องนั้นผมจะเคลียร์ปัญหาเมื่อวานที่ตกค้างอยู่ที่ไม่หมดของท่านแรกก็ของท่านทวัชัย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 ปฐวีธาตุอโูธาตุวาโยธาตุเตโชธาตุอากาศธาตุแล้วก็วิญญาณธาตุหกธาตุเพราะฉะนั้นในรูปเนี่ยมันมีห้าธาตุคือดินน้ําลปไฟและอากาศแต่น้ำ ม, มันมีธาตุเดียวคือวิญญาณธาตุนะแต่วิญญาณเนี่ยมันไปนได้ทั้งรูปและทั้งนาำนะถ้ามันอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย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 หรือมโนธาตุหกไปสิบสองเลยใช่ไหม <S <S ทีนี้จะขววิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุจนไปถึงมโนวิญญาณธาตุไปดิกไปหกก็ไปสิบแปดธาตุธาตุสิบแปดธาตุโดยละเอียดมีสิบแปดแต่ธาตุโดยย่อมีสี่ธาตุโดยกลางมีหกธาตุโดยพิสดารมีแปดเสิบแปดเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี่เรียกว่าจักรวาล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 อมีความเห็นว่าไม่ปฏิเสธพวกนี้เป็นนัตธิการทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับในสมัยข้าพพุทธการก็มีอยู่คนถามอย่างนี้ว่าวิญญาณไม่มีการเกิดไม่มีการตายไม่มีไม่มีอรเนี่คตนะีพวกนี้เป็นนัตธิการทิฏฐิทิฐิปฏิเสธนะอ่าไม่มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นการกลับไปหาธรรมชาติแรกนั้นใช่หรือไม่อ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 อ๋อเหรอองคนี้อ๋อขอโทษท่านอู๋คนนู้ว่าอู๋ประพัสรุอ๋อขอโทษนะท่านรักอหลองตาลักอ๋อแยกท่านอูอ๋แยกรูกปแยกนามได้ยังไงแยงกกันมันก็ตายสิอะไรนะเรารู้ว่าเรามีรูปเพราะเรามีนามใช่ไหมทีนี้รูปอันนี้ร่างกายนี้ไม่ใช่รูปนะร่างกายนี้เรียกว่าธาต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 เอารูปขึ้นก็เบาหนักแม้ต่นี้หนักก็บอกยว่าหนักสิไี่ชอบเสียเฉยเลยรู้ทำมายากเขาเพย่งนี้เลยชอบเสียเฉยนู่นนี่ไม่ตอบตามความเป็นจริงอ่ะก็พูดว่าหนักจะไปเสียเหลี่ยมอะไรนักหนาเจอนะไม่กลัวเสียเหลี่ยมอยู่เลยเมื่อไหร่ยังมีเหลี่ยมอยู่นี่ยากเราทำมาหนักนั่นแหละเขาเรียกว่ารูปรู้สึกหนักนั่นแหละลูปทีนี้พอยกขึ้นความหนักยังอยู่ไหมไม่อยู่อ่าน่าแหละเขาแล้วแยกนามเรียกรูปออกจากกันแล้ว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 แยกอารมณ์กับออกจากจิตดีไม่ดีอร่อยไม่อร่อยชอบไม่ชอบต้องใช้วิปัสนาญาณมันต้องใช้ความรู้ลงไปลึกตามลาดับเพราะฉะนั้นไม่ได้วิปัสนาญาณแยกยินแล้วแยกไม่ออกแค่แยกความพอใจไม่พอใจก็แยกยากอ ย, าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องตกไปตรงมานะไม่งั้นจะรู้ยานึกคิดเอาไม่ได้แยกรู้ยังนึคิดต้องใช้ปัญญาเนี่ยนี่ตอไปแล้วนะอันนี้อ๋อ เรือของท่านอูนของท่านท่าน ส, าน ส, านสมตาสมรักเนะสุดท้ายนี่ของดอรสังกรโอ้โหเขียนมาเป็นเจ้มเลยว่าจะอ่านได้ไง <laughs> แต่ว่ายังสงสัยว่าเขียนเองหรือไปลอกหนังสือเล่มใดมาเขียนดีเหลือเกินน่นนะถ้าเขียนได้เยี่ยมมากเลยนี่ยอ่าฮะดรสังดเรเขียนเปนภาษาอังกฤษทั้งเล่มเลยทั้งเปเปอร์เลยอะ เหมือนแกทําวิญญาณญี่ปุ่นต้องถามตรงๆว่าไปเขียนหนังสือเรื่มใดมาหรือว่าจําได้ทั้งเออจำมาหรือว่าเขียนได้เองเนี่ยเอาเขียนเองพ่อจะขอไปพิมพ์เป็นหนังสือนะ อ, ะอ่เขียนได้ดีถูกต้องมากเลยแต่ก็มีผลพ่อมารอาไว้อยู่นะอ่าบางศัพท์ที่ใช้อ่ายังไม่ถูกนะเพรยนั้นตรงนี้ผลวออาจจะตได้ถามนะ เดาเดามาเนีก่อนดิเมานี้ก่อ น, น, อนพ่อไม่มีสับตัวเนี้ยไม่รู้เขียนถูกเขียนผิดผมงพ่อแปลไม่ออกสมภูมิไปดเดาเร์จริงๆอะเนี่ย lay emphasis ครับเนี่ยตัวนี้ I have lay emphasis emphasis on the detail แล้วันี้ thes ครับอ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 อีส e ิ่งเด e p ดเปลี่ย d u r i n g changing chanting writing joyfulness นะ observe แล้วก็ในการ movement ของเคลื่อนไหวของอากาศในร่างกายของเราทัดไปก็คืออะไรเดการเผาไหม้คับในคำว่าเด้อ คอมบูชช Comb ันเห o อครับคอมนครับอนี oh, no burning, oh. uh ่เ oh, ป็นอีนี yeah. ่ก็เป็นอีเนี่ยคอมบูชชันมีซกับหมอเราทำไมไม่ใช้ b บ r n i n ิเอาอ่ะอใช้คอมบูชชันเลยอ่ะสับนี่เขาใช้กันที่ไหนโอสงสัยสับชนดาเนี่ยนิสเต็มท่านนะอันนี้อันนึ่เดใช่ไหมตัวเนี้ยตอทุกองค์ปรอบอืมอิเลดอิ a ลด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 นิวอนมันเกิดความม่วงมันเกิดแก้อย่างไรความเบื่อมันเกิดแก้เขาบอกวิธีแก้่แต่มันมีอยู่คํานึงด็ตอร์พูดบอกใช้พุโทโธท่องพุโทโธไวายๆเนี่ยวิธีการเราไม่ได้ใช้พุโทโธแก้ความง่วงนะดรในบันทึกมีอยู่นะใช่ไหมบางทีห้องพูโทโธแรงๆเนะี่ยวิธีเราไม่ได้ใช้พุโทโธนะเพราะนั้นตัวนั้นสงสัยมันจะไปลอกเอาพุโทโธมาไงไ <laughs> ม่ได้ใช้พุโทโธใช้เดินก้าวหน้าถอยหลังใช้ทําอะไรแรงๆ นะอ่าโอ้อยบางทีก็ก็แล้วแต่นะว่าจะใช้อะไรแต่อะไรที่มันเสี่ยงเวลามันง่วงมาไปใช้พุโทโธพุโทโธก็ได้แต่ว่ามันไปสะกดเอาไวอ้อ่ะมันไม่มันไม่เคลียร์อ่าเชิญเวทนาในเวทนาเนี่ยอ่าคือคือเห็นเหี้ยที่เห็นเหี้ยเห็นเหี้ที่เกิดในเวทนาหรือเ